เนี่ยช่วงการคุยธรรมะที่เราจะมาพบปะพูดคุยพบเจอกันอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ บอกบุรุษชาตินั้นนะตอนที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆบุรุษได้อยู่ที่เอ่อใต้ต้นไทร นะแต่จะไม่ได้บัญญัติไว้โดยละเอียดนะจะไม่ได้ไปขยันเทศน์ไม่เดินทางไกลไป ในที่ใต้ตนไส้ก็คืออ่าธรรมอันมีมลทินนะถ้ามันมีมลทินก็คือธรรมที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองเนี่ยได้มีคนคิดขึ้นแล้วในแคว้นธรรมที่มีมลทินน่ะ นะเป็นธรรมะที่รู้ได้ด้วยตนเองไม่ นะมีธรรมธาตุเนี่ยอยู่ในทุกๆสิ่งธรรมธาตุที่พูดถึงนี้น่ะก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศน่ะส่วนที่ หรือแม้แต่ตัณหาทั้งหลายนะตัณหาอวิชชาเรายังมีอยู่เราต้องเอาออกเป็นธรรมะที่ควรละหรือเวลาที่เรา แต่ยังไม่มีอย่าให้มันเข้ามาอันนี้คือสิ่งที่ตัวเราเราควรทําความเข้าใจ คนที่รับตัวเราเนี่ยพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของกันทั้ง 5 ที่เราจะต้องทําความเข้าใจในลักษณะที่เรียนต่อสิปริญญาเอก ก็ก็คือไปเรียนเพื่อที่จะให้มีความรู้ใน ให้ให้เห็นถึงแดนเกิดให้เห็นถึงความดับไม่เหลือประโยชน์ให้เห็นถึงแดนเกิดเห็นถึงเอ่อความดับไม่เหลือและเห็นถึงวิธี ไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะทําออกจากความทุกข์แต่เป็นไปในลักษณะที่ทําให้มี นะความสิ้นทุกข์นี้นี่คือความยึดถือนั่นเองสิ้นไปหรือว่านิโรธคือความ มีสมคนป่วยนะพระป่วยนะพระก็มีอยู่นะเจ็บแน่นอนความเจ็บปวด นะแต่ศาลที่หลันหลังออกมาเวลาที่เราเจ็บเนี่ยทําไมเราเจ็บเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่มันตรงแต่เจ็บขึ้นในร่างกายนะพระอรหันต์ป่วยก็ 2 คนนี้จะต่าง หน้าใจก็ไม่สบายใจก็มีเป็นทุกข์มีความๆนานาเพราะว่ายังมีความยึดถือในขณะที่ถ้าพระ ในใจก็ไม่มีความหวั่นไหวตามการเปลี่ยนแปลงขอให้สิ่งที่มันมันเกิดขึ้นนั่นคือใช่มั้ย เอ่อเรื่องความทุกข์ทางกายมันก็ยังมีอยู่ธรรมดาแต่มันเหมือนกันตรงที่ว่าไอ้ทางใจเนี่ยมันดับไปนะ เราจะไปหาสิ่งที่เราคิดอยู่นึกอยู่ได้อย่างไปถึงไอ้ที่ที่เราจะสบายใจแนวไม่มีความทุกข์ มันเองที่จะทําให้ดีขึ้นไปหมายความว่าไงก็หมายความว่าเอ่อยัง ไอ้ความวนเวียนนั่นแหละเนี่ยเป็นตัวทุกข์ที่สาหัสกันทีเดียวเพราะว่าวนเวียนไป ประเด็นความเสี่ยงตรงนี้ยังมีเอ่อวิธีวิธีนั้นถ้าเราละได้อันนั้นจะเป็นความละเอียดยิ่งๆขึ้นไปในการที่ ที่เราอ่านเนี่ยท่านผู้ฟังเอ่อต่อให้เรามีความสุขมากขนาดไหนนะชีวิตเรา ตอนที่มันไม่มีห้องน้ําหรือห้องน้ํามันตันเนี่ยมันก็มีความทุกข์เหมือนกันนะหรือว่าตอนให้ แต่เราแก้ได้รู้ว่าปัญหาคืออะไรเราแก้ได้แต่ recognize ก่อนต้องทราบก่อน ถ้าตัวเองไม่ทราบว่าตัวเองมีปัญหาๆไอ้เราๆมั้ยเราหายใจเข้าหายใจออก นั่นคือเห็นสิ่งทั้งหลายนี้ได้พอเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมียอมรับมันได้ว่ามันเป็นปัญหาที่เรา <_' Community> อ่าซาบะเหล่านี้เป็นปัญหาในตัวเองอยู่แล้วนั่นคือหมายๆคุณจะทราบเองในเส้นทางนี้ นะเอาทำอย่างเป็นธรรมชาตินะให้ชีวิตของเราทุกๆด้านนะตั้งแต่ที่ ไม่สว่างไม่เงาไม่สว่างไม่เงาเราก็ใช้ธรรมะ